เรื่องบทส่งท้ายอุปกิเลส16ข้อที่ท่านได้ผ่านมานี้มีลักษณะเหมือนกับสนิมคือสนิมที่เกิดกับโลหานั้นมันเกิดจากโลหะใดแล้วมันก็ลดความดีงามของโลหานั้นลงเริ่มแต่ทำให้เสียความผุดผ่องดูไม่สดใสจนกระทั่งเสียคุณภาพที่จะใช้การและผลที่สุด ก็ทำให้โลหะนั่นเองสึกกร่อนใช้การไม่ได้เลยวอดวายหายสูญไปด้วยกันทั้งโลหะทั้งสนิมอุปกิเลส16อย่างนี้ก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นในใจของเราเองแล้วกลายเป็นเสนียดชีวิตของเราเองเริ่มแต่ทำให้ลดความมีเสน่ห์อันน่ารักลงลดลงจนกระทั่งสมรรถภาพในการทำงานเพื่อความก้าวหน้าของเราเอง จนผลที่สุดก็ป่วยจิตใจเราให้เสื่อมโทรมล่มจมวอดวายตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ใดรู้สึกว่าแก้ปัญหาชีวิตไม่ตกจะเป็นด้านสังคมก็ดีด้านการงานก็ดีหรือด้านความสุขในตัวครอบครัวก็ดีควรจะได้ลองหันเข้ามาสำรวจดูที่ใจเราเองบ้าง ดูซิว่ามันมีสนิมในใจหรือเปล่าโปรดอย่าลืมว่าชีวิตของคนเรามีใจเป็นแกนถ้าใจเกิดมีอุปกิเลสสิบอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็หมายความว่าแกนชีวิตของเรากำลังถูกสนิมกัดกินและจะแตกสลายลงยิ่งถ้าใจของใครมีสนิมหลายอย่างเกลกลางมากก็พยากรณ์ได้เลยว่า หากไม่รีบไล่สนิมออกสิบ้างแล้วชีวิตของเขาจะพังครืนเพราะสนิมในใจสนิมในใจนในใ จ, จบ